สันติสุขคืออะไรก็คือคำสอนของพุทธศาสนานั่นเองจะไปหาสันติสุขที่ไหนมันจึงจะเจอจะเจอ จ, จะพบจะเห็นไม่มีเล ย, เยถ้าชาวโลกมีสินห้าบริบูรณ์เท่าที่ควรสันติสุขไม่ร้องเรียกหาก็ามาเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะตั้งกฎหมายจีนล้านมันก็ไม่สุขหรอก ร่องเรียกหาจนคอแตกก็ไม่มีเลยไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นละทาเป็นโรคระบาดคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่า น, นั้นจะคุ้มครองโรคได้ที่นี่ความละอายต่อบาปทุจริตโอตะปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต ทาสองปรการนี้มีอยู่ในหัวใจแล้วจะปกครองโลกได้ถ้าทาสองประการไม่มีอยู่ในหัวใจชาวมนุษย์แล้วก้อนไมกฎหมูกฎอักกนพวกพก็กกตั้งมาอยู่บูช่องทาไม่รำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความช่วในที่จ้งมาได้ก็ไปทำในที่รับเอา้ายกทาหอดอีก ถ้าชาวโลกละอายต่อบาปกลัวตบาปแล้วชาวโลกก็ไม่ล่วงละเมิดสินหาที่ชาวโลกไปล่วงละเมิดสินหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเหตุไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวตบาปใช่ไหมถ้าชาวโรกมีสินหาบริบูรณ์แล้วทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่ต้องมีสงครามก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมี กุญแจก็ไม่ต้องมีเวียนยาก็ไม่ต้องไมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าแล้วก็สงบพระพุธเจ้ามาแต่ละยุคละยุคละยุคละยุค ก, ก็มีพุทธจริย์สามสร้างบารมีหนึ่งเพื่อเป็นพระสมัยพระพุทธเจ้าเรียกพุทธทะจรารย์สอง เพื่อสงเคราะหญาติเรียกว่ายาตถะจริยาสามเพื่อสงเคราะห์โลคเรียกว่ า, าโรตถจริยามีพุทธจริยาสามประเภทแม้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำตามพุทธจริยาสามทำคำสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสดราแทนพวกแทนเราที่เราจากไปคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุงองตรงกันหมด ไม่ได้แข่งดีแข่งเด่นกันเลยเพราะเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ไม่ใช่ราชาธิปไตยความเห็นพระราชาเป็นใหญ่ไม่ใช่โลกาธิปไตยความเห็นโลกเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาธิปไตยความเห็นประชาชนเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยสั่งสอนโลก ไม่ได้สั่งสอนพระผู้ทรงธรมเลนเท่านั้นสั่งสอนมนุษย์สมบัติจมภูมิแล้วสั่งสอนสวรรค์สมบัติจมภูมิแล้วสั่งสอนพรมสมบัติจมภูมิแล้วสั่งสอนเนปานสมบัติเป็นลําดับภูมิแล้วจมภูมิแล้วนะเป็นหุนเอกอยู่ในตัวด้วยทายไม่แล้วถ้าล่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ชิบหายทางนั้นชิบหายทางมนุษย์สมบัติชิบหายทางสวรรค์สมบัติ ชิบหายทั้งพรหมสมบัติชิบหายทั้งนิพพานสมบัติอยู่ในตัวแล้วถ้าหากว่าปฏิบัติตามนี้ก็เป็นมนุษย์สมบัติก็เป็นสวรรค์สมบัติก็เป็นพรหมสมบัติก็เป็นนิพพานสมบัติไปในตัวไม่ได้ไม่อะไรกระทบกระเทือนเลยแต่ชาวโลกขี้โอ้คบพระพุทธศาสนาไม่แตก นั้นจ้งกคหมายกคหมู่กตรพักกคพวกไม่มองดูกพรนะพุทธศาสนาเชาวโล ก, ก็อนรมานเอ้าทำไมจึงอาบนา้าพระร่างกายมันสกปรกทำไมจึงปฏิบัติศสีนธรรมก็เพราะจิตใจมันสกปรกจริง ด้วยรอบด้โกรดด้หลงจกปฏิเสธก็ไม่ได้เมื่อปฏิเสธไม่ได้การปฏิบัติธรรมะก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันทําไมจึงมีวิชาเพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานเองชั้นชุดท้ายของพุทธศาสนาเพราะในโลกนี้มันไม่มีสุขเลยไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นทำชั้นละเอียดใครหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ประไม่เห็นเลยก็พระสมมมาสพุทัยเจ้า และพระปจิจและพระหันทหลายหาไ ม, ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเหตุ น, นั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซะไม่ให้กระทบกระเทือนของใครเลยชนะก็ชนะความหลงของตนอยู่ที่เมืองไัยแพ้ก็แพ้ความหลงของตนอยู่ที่เมืองกทยชนะแพ้ทางอื่นไม่มีเลย แต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็มีแต่เวนสนองเวนไผ่สนองไผ่ยอยู่นั่นเองไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเครียไม่ใช่ลูกระเบิดปฐมานูปกครองโลกก็ความละอายตาบ่าวความกวาดตาบ่าเท่านั้นปกครองโลกและความไม่ล่วงละเมิดศิ้นห้าเท่านั้นถ้าไม่ล่วงละเมิดสิ้นห้าแล้วนอนก็ไม่สะดุ้งขว้าเพราะไม่มีเวนอยู่รอบข้างวาันดีคนดีทําได้ง่าย ความดีคนชั่วทำได้ยากตรงกันข้ามมูดโคตรมแมลงวันกินง่ายแต่มแมลงมุกผู้มแมลงพึ่งมันไม่ฝันเลยทำไมจึงมีผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาน้อยนักก็เพราะบารมียังอ่อนอยู่ไม่สมฐานันด ร, รสัก์ที่จะไปเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ตาไม่ดีจะไปสนเข็มได้ยังไงทำไมจึงมีแมลงผู้แมลงพึ่งน้อยนะแมะลงวันจึงมีมากก็เพราะกรรมและผลของกรรมมาอยู่ระดับเดียวกันจำเป็นก็จาไปอยู่อย่างนั้นเลยท่านผู้ใดไม่เริ่มใสพระพุทธศาสนาท่านผู้นั้นบารมียังอ่อนอยู่ คอแก้ตัวหนึ่งเมื่อ ขณะคุ้ยเขี่ยหาอาหารไปพบปอยเม็ดหนึ่งงามดีมีข่ามากก็พูดเปลยเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตําลิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรแกเราสู้แก่แต่เข้าวสุกข้าวสารมาเล็บเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วเขคุ้ยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนได้รือว่า ของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้เพราะเราอยากให้เป็นไกายเจ้คุยเคี่ยไปในเปลเงอื่นๆ เ, เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีแล้วก็ไปถือรับที่อื่นๆแล้วก็คุยเคี่ยไปในเพลเงอื่น ของที่ดีย่อม <ifi> <ẫ Mel> <novo> ีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช่ถ้าไม่รู้จักใชแล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้เหมือนเลียงได้แก้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็คว่างทิ้งเราเกิด่าเพราพระพุทธศาสนาเนี่ยก็พิเิทํะไหมถ้ารัถธิของเราที่เคยถือมาว่าแล้วก็คุยเกี่ยวไปในแปลงอื่น รักที่อื่นๆท อ, องตัวให้เท่าพระพุทธศาสนาอึ่งอ่างกบับบัวนิทานอึ่งอ่างกับบัวเว่าตัวหนึ่งเชี่ยวหากินอยู่ตามชายทุ่งขณะที่หากินอยู่นั้นไปเหยียบที่ริมคลูไปถูกลูกอึ่งอ่างตายหมดเหลือแต่ตัวดีวแลว้วก็รอดมา อืออ่ะกลับมาจากหากินลูกเราไปหมดไปที่ไหนหมดเออมีสัตว์ตัวหนึ่งใหญ่โตมากมาเหยียบตายหมดเหลือแต่ลูกตัวเดียวทีนี้ก็พองตัวขึ้นเท่านี้ได้ไหมสัตว์ตัวใหญ่ๆเท่านี้ได้ไหมโอ้มันยังใหญ่กว่านี้อีกคุณแม่เอยเดี๋ยวพอ่อพองตัวขึ้นอีกเท่านี้ได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พองตัวขึ้น ตั้ง10ิรั้งนี่ซิฟข้างแล้วก็ท่องแตกตายคาที่นั่นล้วที่อื่นๆมาพองตัวใส่พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันท่องแตกตายคาที่นั่นนั่่ประชาชของชาวโลก ตั้งกันอยู่ไม่แล้วไม่รอดก็เพราะประชาปเงินมันจะรอดทำไมผู้ใดมีเงินมากก็ดึงไปทางเต้นเป็นธรรมไม่มีประชาธปิปไตยของพระพุทธศาสนาก็สอนหมดแล้วที่ชาวโลกพู้ทาหันว่ามาให้พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนล่ะ เราไม่สงสัยคําสอนพุทธศาสนาว่าจะพาไปจมดิง่งถ้าเราไม่ทําตามมันตอนไหนมันก็จมดิอดตอนนั้น่นเราทําตามตอนไหนไม่เห็นเดือดร้อนตอนที่ไหนที่เราไม่ทําตามพุทธศาสนาเห็นแต่มันเดือดร้อนเราเท่าที่เรามองเห็นเราส่วนคนอื่นก็ยกไว้ของใครของมันเหตุ น, นั้นเราพุทธศาสนา จิงสอได้เห็นเองถ้าเอาตังไปจ้างหมดตังแล้วมันก็ขบอดคืนใช่ไหมให้มันเห็นเองเรื่อมใสเองเอพระบ ร, รมศาลาเกลือนี่เค็มขนาดไหนล่ะเออขอให้คนกินดูเถิดยิบดูเถิดถ้าเก็บ ด, ดูแล้วมันก็มันก็ไม่ต้องสงสัยถามเองเค็มขนาดไหนล่ะ ก็ไม่ต้องสงสัยอีกไงทำลายทำลายพระพุทธศาสนาก็คือทำลายความดีของตนนั่นเองทำดีต่อพระพุทธศาสนาก็คือทำดีให้ตนนั่นเองนอกจากใจ ก็มามีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็มามีอะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจปัญหาของใจไม่มากเพระใจมีกิเลสอยู่ปัญหากวามากถ้าใจไม่มีกิเลสปัญหาก็ไม่มากแสงพระอาทิตย์ ที่มืดมันก็สองมาทะลุแสงสว่างแห่งปัญญายกอทหรดูดูเห็นอานิจจังคณะคิดหนึ่งก็สองโลกทะลุแลว้วเพราะโลกเต็ไมไปด้วยอานิจจังภูเขาก็ระเจเกจรใช่ไหมเพราะภูเขาก็อยู่ใต้อํานาจอานิจจังใช่ไหมใต้แผ่นดินก็อยู่ใต้อํานาจอานิจจังใช่ไหมเพราะพังเป็นน้ำก็อยู่ใต้อานิจจังใช่ไหมเพราะแห้งเป็นนั่น ได้ใโกรกล้วนอยู่ใต้อำนาจอนิจจังได้ในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจทุกขได้ในในโกรกล้วนไม่สมประสงค์ของกิเลสโลกภายในคืออะไรคือตาหูจมูกกลิ่นกายใจโลกภายนอกคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสทศพระธรรมอารมณ์ในระหว่างกลางคืออะไร คือโรคโกรธหลงโรคภัยโรกโลกโกรธหลงให้โลกภายในโลคโกรธหลงให้โลกภายนอกบ้างให้ตัดหว่างกลางซ ะ, ะพระบรมศาสีราพิกสุทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักตาหูจมูมกเรียนกายใจตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนเรียนไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ะธรรมารมไม่ใช่ตัวตนเป็นทศว่า ภายนอกเป็นตะศักว่าภายในเธอจงรู้ตามมันจริงซักทีนี้ตาหูจมูกเล่นกายใจตาหูจมูกเล่นกายย่นลงถึงใจรูปเสียงกินรสผดระพะย่นลงถึงธรรมารมทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาพระชอบเรงแรดูรูป ทำไมสัตว์ ท, ทตตั้งหลายจึงมีหูเพราะชอบฟังเสียงทำไมทั้งสัตว์ทั้งหลายจึงชอบชอบจึงมีจมูกเพราะชอบดมกลิ่นทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นเพราะชอบลิ้มรลือดทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายเพราะต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากรั บ, บกายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจเพราะชอบนึกคิดในธรรมอารมณ์ แต่เราจะถาคตข้ามสิ่งนี้ไปแล้วไม่ยึดถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนอันในเลยเหตุนั้นความโง่ของเราจึงหายไปมีแต่สติปัญญาเหนือความร่งไปโลบไปซัก วิญญาณของสถาคตก็ไม่ตั้งอยู่ในที่ใดวิญญาณดับไปก่อนนามรูปก็ดับไปณนะที่นั้นเองอวิชชาตั้หาอาวิชชาความโง่ตั้หาความเชยทายาในโลกใดๆก็ไม่มีในเราเรารู้เท่าหมดแล้วเหมือนพระอาทิตย์สองแสงมืดท้ายหายไปปัญญาเหนือความหลงไปแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตบะลมศาสตร์ธรรมัสูง ทชั้นสูงกับสมาธิชั้นสูงกับปัญญาชั้นสูงเหมือนกันกลงกลืนกันอดีตคืออะไรคือกองทุกเที่ยวล่วงไปแล้วอนาคตอนาคตคือกองทุกที่ยังใหม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกที่กําลังเป็นอยู่เห็นกองทุก์ที่กําลังเป็นอยู่แล้วในปัจจุบันแล้วเอาปัจจุบันเป็นอาการเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญา เมื่อเห็นกองทุกในปัจจุบันชัดแล้วกองทุกในอดีตอนาคตจะไปสงสัยจะทไหมเพราะเห็นพร้อมกับลมเข้าออกพระมสารีริกธาตุไม่ว่าจะไม่ ท, ทอ้องการอดีตอนาคตคืออะไรคือขันธวิบากที่ล่วงไปคือขันธวิบากที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือขันธที่วิบากที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไร คือขณะจิตที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือขณะจิตที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือขณะจิตที่กําลังเป็นอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนึกคิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคําพูดแต่ละวัฏระบาตก็ดับไปนึกคิดขึ้นแต่ละวัฏระบาตก็ดับไปล่วงไปเหมือนลมพัดนั่นคืออันนี้จังอันละเอียดคือทุกอันละเอียดคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอันละเอียดเหมือนกันัทั้งหลาย มาแย่งตาหูจมูกเล่นกายใจมาแล้วแย่งลูกเสียงกิ่นรสผดสะพระธรร ม, มารมมาแย่งอดีตอนาคตกันปัจจุบันกันชัดทั้งหลายก็มาแย่งแดดแย่งลมกันแต่เราตาขาคตไม่แย่งเพราะเหนือความโง่ไปแล้วมีตาก็ค่ายว่าไม่มีก็มีตามสมมติหูจมูกเล่นกายใจก็มีตามสมมติแต่ไม่ติดอยู่ในสมมติ รู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติรู้ส ม, มุติตามเป็นจริงของสมุติแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสองพระบรมศราสลาสอนอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่ยังมามาถึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปล่วงไปล่วงไปผู้รู้ก็นี้ผู้รู้อยู่ในอำนาจวาสนาของใคร เขาเยืนยันว่าเป็นสมบัติของใครเขาก็ไม่ยืนยันก็มีแต่ความหลงไปงยืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแลว้วกวนเวียนอยู่อปั่นจะขันใจไมมมั่นยืนยันว่าตนก็ไม่พ้นยาพิษประม า, มาเผากิดโมเขาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตปั้นน้ําให้เป็นตัวมัเมาหลายกลายเป็นอดีตขวางกีดอยู่ผู้รู้อนาคตรอบให้หมดอนัตตาธรรมกําจะไม่นําติดต่อก่อพบ ใจถูกลบลงถึงธทมว่าไม่อยู่หางทางไปอนิพพานถ้าเชี่ยวชาญเดินมักควิทีต่อติดดีไม่มีวันเว้นใจก็เด่นเห็นธรรมไม่ตายจะบรรยายไปหลายก็ลนหลากก่อนจะมาก็าออกจากกันเดียวถ้า้ลงอันเดียวก็เที่ยวอยู่สงสารอยู่นานเนินช้าปัญญากราหันหาต้นเหตุยมนิเทศเอ ก, กจิตธรรมไม่ร่วงลําไปถาทางอื่น ก็ไม่ตื่นในการโบหารการใดๆไม่ใช่ตัวตนอยาดื้อด้นไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ปัญญาสู้กู้ไววความหลงปรงภาละสะสารตอยมดนิเทศจะกล่าวบัญญัติผู้รู้ชัดก็หากเห็นเองคนอื่นเพ่งว่าเป็นว่าดีหรือชั่วนั่นเป็นตัวสมบัติโลกานำมากล่าวสาวไว้เพียงนี้พิษหรือถูกผูกไห้แก่ทำผู้ร่วงล่าผู้รู้ล่าจงให้อภยัย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 มาธิชั้นถูงปัญญาชั้นถูงกลมกลืนกันอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงพระมจันเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาคืออะไรคือพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบายยมุก ไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเราตียามนี้ไม่เสียได้อยากจะคบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาไม่ใช่ได้อยากจกะจองเวรท่านผู้ใดเลยโปรดอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรมึงเถก็ไม่ได้มังเหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนั่นกูนนจะเอามึงเหลี่ยมนี้ไม่มีในพระสวุวรรเคื Только ได้ทําผิดเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แลกกันไปซะเขามาก่อใหม่ก็ให้แลกกันไปซะเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใด พัชรวดามันไม่เสียดาร่วงละเมิดอบ า, มาอยมุขทุกประเภทอ๋อแข่งเรือก็ไม่เสียดายนักมวยนักเมยก็ไม่เสียดายจะไปลงกับเขาใครจะแพ้ใครใครจะชนะก็ไม่อัศจรรย์เลยผู้ชนะก็คือพระอรหันต์ท่านตัดสินอย่างนั้นเหลือดังนั้นอย่าทําคันตัวเป็นพระอรหันต์เลยอย่าทําคันตัวชนะเลยผู้ชนะย่อม่อเวรกูทีเมืองทีอยู่มึงตายเป็นหนู กูก็ตายเป็นแมวมึงตายเป็นแมวกูก็ตายเป็นหนูเอากันอยู่นั่นซัดทั้งหลายมึงเป็นงูกูก็เป็นกบมึงเป็นกบกูก็เป็นงูอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้เขาไม่รู้จักบาปบนคนโทษแต่ผลของบาปของบุญของกรรมมันก็มีอยู่ถ้ากรรมและผลของกรรมมันมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงแต่พระพุทธศาสนาะทำดีจนพอเหนือดีไปแล้วละชั่วจนพอก็เหนือชั่วไปแล้วก็ข้ามเทะเลหลงไปสักสันติภาพเราจะไปหาเทไหนก็พระพุทธศาสนาสอนสันติภาพเต็มภูมิแล้วใครจะเก่งก็ตามจะมาแข่งดีก็พระพุทธศานะส น, สนา ก็ถ้ากับอะเบื่อทำลายขึ้นฟ้ามันตกใส่หน้าของตนเองคล้ายๆกับว่ากำผนต้อลมมันพัดเข้าตาตนเองคล้ายๆกับว่าคว้าฟ้าคว้านใส่เห็นดาและต้นเสามันกระเด็นถึงตนเองเพราะว่างไกลมันไม่สาไม่ถึงกงไกลนักมวยเอกมันก็รับไม่มันก็รบไม่ทันนั่นนะถ้ากรรมและผลของกรรมมีเราไม่เชื่อพระพุทธศาสนาศาสนาจะล่วงไปสักเพียงใดก็ตาม ใครไปหลุมลยลุยหลุมฐานเพิงลุบฐานเพิงก็ไม่เอาความร้อนก็เท่าเก่าชานาไปล่วงไปทะนานทะนี้แล้วรถเข็มไม่มีรถหวานไม่มีไม่มีใคระตินญานได้ดอกบัวชีเหล่ามีขัง้งพุทธการไหม ข้งพุทการก็มีข้างนี้ความมีใช่ไหมนั่นนั่นนัดอกบานบานเ็มภูมดอกตูมตรงเต็มภูมดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ำเต็มพูมดอกใต้น้ำก็ใตน้ำเต็มภูมอดอกใต้น้ําคืออะไรคือบุคคลผู้ที่ถือว่าไม่มีบาป <l id> <craft> ไม่มีบุญนั่นเองอืมดอกเสมอน้ําก็ถือว่ามีบาปมีบุญอยู่แต่ว่าพุทธก็ถือพระก็ถือ นปนเปกันอยู่เลขก็เล่นส่วนชวนพู่พ้นไปแล้วที่นี่พ่นน้มดอกบัวที่พ้นไปแล้วนะี่คือพระธิดาบันพ้นไปแล้วเลขไม่เล่นเห็นว่าเป็นทางชิดผ่านสินห้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่ง น, นั้นไม่ใช่ได้ร่งละเมิดสิ่ง น, นั้นมันก็ไม่นักไกอืจ มแมลงผู้มแมลงพึ่งมันไม่เสียดายอยากกลับไปกินมูดโฆฆูดกับแมลงวันมันหนักใจไหมพูดเท่านี้ก็พอเอา้าผู้ไม่เสียดายลงลุยรุ้มฐานเพลิงมันหนักใจไหย ม, มันก็ไม่หนักใจผู้ไม่เสียดายเอาน้ำลายบ้วนทิ้งแล้วมาใส่ปาก อ, กอกีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจความดีคนดีทําด้ง่ายความดีคนชั่วทําด้ยากมันตรงกงันข้ามมูดโคดแมลงวันกินง่าย แต่มแมลงพึ่งมันไม่ฝันเลยอที่นี่เกสอนดอกว่าแมลงวันกินหญ้าไม่ฝันอีกด้วยนั่นเพราะอยู่ในระดับของใครของมันเราจะอยู่ระดับมแมลงวันเราหรือเราจะอยู่ระดับมแมลงพึ่งอันนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราจะถามเราเองใช่ไหม <c oughs> คนอื่นตอบให้มันไม่เท่าเราตอบเรา เราไม่เคลือบใส่พระพุทธศาสนาะหรือไม่เราก็รู้อยู่อืสันทิฏฐิโกวความลับไม่มีในโลกอืมเรามีกิเลสเราก็รู้อยู่กิเลสของเราเบาเราก็รู้อยู่กิเลสของเราไม่เบาเราก็รู้อยู่เราจะปกปิด จากเพียงใดก็ตามแต่ตัวของเราเราก็รู้อยู่แล้วจะโกหกพคลำลมคนอื่นก็ตามเราก็รู้ลจกัก ร, รู้ว่าเราโกหกพคลมอยู่ถ้าเราไม่โกหกพคลมเราเราก็รู้ว่าเราไม่โกหกพคลมอยู่นั่นนัตถิโลเกระหูนามะความรับไม่มีในโลกคือโลกหัวใจนี่เองเธอทั้งหลายถ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัตาสงสารเธอทั้งหลายอย่านอนใจเนอ้อพระบรมศาสตร์เดียวจะเสียใจในภายหลัง ไม่สมควรแ้วหรือเหนื่อยแ้วเนี่ยเธอทั้งหลายจงรีบดับไฟซะไฟไหมหัวของพวกเธอทั้งหลายอยู่พรุ่งนี้พวกพวกเธอทั้งหลายจึงจะดับมันจะถูกไหมพระพรทธมารสาตราเดี๋ยจะเสียใจในภายหลังถ้าพวกเธอยังไม่มียามาพ้นทุกนหนวตาตารงศารพวกเธอสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนรวย ความสำคัญตัวนั้นจะทําให้จิตใจของพวกเธอเป็นหมันเน่าพระบรมศาสตรานัก น, น, นัมาเถิดมาเถิดที่นี่ไม่มไวุ่นวายที่นี่ไม่คัดข้อโลกทั้งหลายลวุ่นวายมากโลกทั้งหลายคัดข้อมากทําชั้นสูงทําไมที่นี่ไม่มไวุ่นวายที่นี่ไม่คัดข้อคืออะไรก็คือที่ใจของท่านไม่มีโรคโกรธหลงไม่มไวุ่นวายไม่คัดข้อนอกจากนั้นไปมันก็วุ่นวายคัดข้ออยู่นั่นปัจจุบันคืออะไร คือตรลักอดีตที่ล่วงไปก็คือตรลักที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็คือตรลักษที่ยังไม่มาถึงทําชันาช้นสูงทำชั้นสูงเกินไปกว่านี้อดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคต คือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ก็เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเท่านั้นไม่สําคัญตัวอยู่ในผู้รู้ผู้เห็นไม่สําคัญผู้รู้ผู้เห็นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลครอล่อมกําลมหายใจเข้าออกแล้วก็จะพยายามข้ามทะเลลงไปสซะพระบรมศาสดาสอนะเพื่อเบียดเบียนสัตว์ใช้ยืดยืดสักเพียงในขวาตาย มีโรคสารพัดคนเบียดเบียนสัตว์ทั้งอายุยืนด้วยทั้งมีแต่โรคชะลาด้วยโรงปูเทศไม่ใช่คนขี้บาปโรงปูเทศเราเป็นคนขี้บาปแต่โรงปูเทศเป็นเก้าสิบสามเนียเก้าสิบสองแต่เราเพียงแปดสิบ้องร่วงต้าสังเกตเป็นแปดสิบสี่แปดสิบสี่แบห้าย่า ่าไปผูกเอเล็กไม่ใช่พระเลขกมไม่ใช่พระเลขบุคคลผู้เล่นเลขบว่าคัดต่อพระสวดาวันจะไปเล่นเนอะอ <c oughs> คำสอนใด ใ, ในใจโลกธาตุมันเป็นเมืองคึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมด เฉลิมทิศจะมีขี่ล่านก็รชีพไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้หรือไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อเลยไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าอริยสัจจะทำเที่ในทางลึกเพื่อให้นึกในหลายทางนําให้น้องครองเบืองบางต่งตางๆได้ต้องสูดมหาสมุทรเดโดยไม่รู้ตัวชันใดคําสอนใดๆก็ ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผูู้รรารู้อะไรไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับเพืเชื่ออะไรไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยสันติภาพคืออะไรคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นสันติภาพแล้วจะไปหาสันติภาพที่ไหนมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ฝะเลย พระพุทธศาสนาเป็นสัญญาภาพอยู่แล้วถ้ากรรมและผลของกรรมไมมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันมีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้ไหมมีผู้ว่านำลายขึ้นฟ้าได้ไหมเราก็ถามอีกมีผู้กำฝุนโต้ลมได้ไหมลมพัดมาตึงๆๆกำฝุนโตลมได้ไหมมันก็โตลมไม่ได้ไม่ได้เมื่อไม่โต้ลมไม่ไหวเ่อนำลายขึ้นฟ้าไม่ได้ มันตกใส่หน้าใครหน้ามันอมดไตโลกธาตุก็นพื่ลายเคลื่อนฟ้าไม่ถึงมดไตโลกธาตจะมายืนเป็นทิวแถวกันกำฝุ่นโต้ลมมันก็สู้ลมไม่ไหวหมดไตโลกธาตจะมัดคว้างปลาคว้านไส้หินดานแล้วภูเขาคว้างไกลมันก็ไม่ถึงคว้างใกล้นักวยเอกก็ลบไปทันใช่ไหมหนึ <c> ่ง <oughs> เห็นนั้นจึงไม่นา่าไม่น่าวิตกเลยพระพุทธศาสนายังอยู่ยังง่งยืนยงจิตใจเราก็คงคีบด้วยพระพุทธศาสนาพินาศลงจากจิตใจจิตใจจะอยู่ได้รอนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจ นอกากาย ก, ก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจจะเท่านั้นทําดีให้ใจใจจะเท่านั้นทําชั่วให้ใจพระพุทธ เ, เจ้าใจนั้นเองเป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่พระพุทธ เ, เจ้าภายนอกพระบรมศาสด า, า, ายืยนยันว่าเราเขารพทําถ้าพระทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำ จัรตรโมคารุกาจัลูม่่งนอนก็นอนเองเหงื่อน้ำกระหายน้ําก็ดื่มเองเหงื่ออาหารก็ทานเองเราจะท้าวัดทำแทนไม่ได้เป็นเพียงเชื่อบอกเท่านั้นนี่ครับพรมศาสนาเพราะพชะศาสน า, ศาไม่ใช่ประชาชนเทปไตยเป็นธนรรมานเทปไตยไม่ใช่โลกาเทปไต่ ไม่ใช่อัตาตาทิพไตยเห็นตนเป็นใหญ่ไม่ใช่ราชาทิปไตยเห็นพระราชาเป็นใหญ่ไม่ใช่อัตปะตาอัตาตาทิพยตยเห็นตนเป็นใหญ่ธรรมาธิปยไตายเราพุทธศาสนาผู้ใดเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนผลค่าของเหตุทั้งนั้นผู้ใดลงลุยหลุมฐานเพลิงลุมฐานเพลิงนั่นเองเก็สังขาจะนามีทั้งคดีดาคดีแองอ่ะ มีทั้งพยานมีทั้งศารไต่สวนนัดตัดสินมีทั้งสารดีกามีทั้งศารอุทธร อ, อยู่ในอยู่ในตัวด้วยถ้ากรรมและผลของศาสนาใดๆรับที่ใดๆก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามผลของกรรมก็ตามสนอ ง, องเธออยู่เมื่อที่เธอทําแล้วเธอคืออะไรคืออะไรเธอคือใจแต่ท่านแต่ละคนนั่นเองเอ้า พระพุทธศาสนาะเป็นวิชาสันติสอนโลกแล้วสันติภาพทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโรกสองอย่างเท่านั้นความละอายต่ำบาปความกลัวต่ำบาบเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้พระพุทธศาสนาะถ้าไม่มีอย่างอายต่ำบาปไม่มีความกลัวต่ำบาบแล้วก้อนไม้ก้หมูก้อนฟักก้อพวกของชาวโลกก้อั้งมาอยู่อู๋ของทําให้นําคํานึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเอ ง, อ, งอาศัยชาวไตรโลกาอย่าประมาทพระพุทธศาสนาเทื่อนนะ เอ้าถ้าชาวโลกมีชิ้นฮาบอลบอลดูดูชิ้นฮาเป็นสันกิภาพใช่ไหมทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโสตตรวนก็ไม่ต้องมีสงครามก็ไม่ต้องมีนั่นนั่นที่ไม่มีชินน้นฮาเองมันยุ่งเหยิงกันอยู่ในโลกเนี่ยใช่ไหมนั่นเหตุนั้ น, น, นจิงเทิดทูนว่าชิ้นฮาเป็นศีลของพระสวัสดิบาลนัน่นนัะน่ะ ถ้าชาวโลกไม่ชี้น้ำบริบูรณ์ทหารไม่มีตำรวจไม่มีโซ่ตรวนไม่มีกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากให้หลายมาตราเลยตั้งเพียงกฎหมายงบประมาณและภาษีอากออ์ก็พอแลว้วอันนี้ตั้งมากี่ล้ามันก็ไม่อยู่ ไอ้ที่แค่พูดตั้งกฎหมายอยู่ในโลกเนี่ยในระหว่างลาดคนจะมีคนมีชิ้นห้าพอร้อยคนไหมก็ไ ม, ไม่เกือบจะไม่มีอีกเสียหนี้ิตั้งกฎหมายเข้าพักตัวแล้วพักเข้าตัวแล้วพักของตัวชาวโลกไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมมาสัพพุทธเจ้าจะมีกี่ล้านล้านพระองค์ก็มาไมีพรบอันเดียวกันไม่ได้คัดค้านพรบกันเลยถูกไหมนั่น แล้วใหเข้าข้างตัวคนชั้นต่ำชั้นสูงเอาไปใช้ก็ได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นอนกฎหมายของชาวโลกก็คนชั้นสูงเท่านั้นมีประโยชน์คนชั้นต่ำไม่มีเพราะมันไม่มีเสียงมันไม่มีเงินใช่ไหมนันนน่นนั่นเหตุนั่นจึงรบลาข้าฟันกันอยู่ไม่แน่ว่ารอด น, น่ไม่ต้องอวดดีต่อพระพุทธศาสนาเลยเอา้าคำว่าขลามาจากไหน โมฆราสาติบุตรก็มาจากจากสวนไชยนาฏบุตรใช่ไหมแล้วก็มาเลื่อมสพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงสูงถึงพระสวสดาวานันสกทาคาเมีนาคาเมพรปนะขนัขนนั่นข้าไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมพูดตามดิง่งดิ่งของพระพุทธศาสนาก็คือธรรมะขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจะขอมาจากไหนก็ขอมาจากศาสนาพุทธนั่นเอง ศาสนาพูดบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกเลื่องนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยบางทีสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปก็มีสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้มีกิเลสเต็มพุงใช่ไหมผู้มีกิเลสมากก็พูดเข้าข้างตัวมากผู้มีกิเลสน้อยก็พูดเข้าข้างตัวน้อยผู้ไม่มีเลยก็ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเป็นกลางเลย พูดตามความจริงคือพูดเป็นกลางผู้ไม่พูดตามความจริงเรียกว่าพูดลำเอียงไม่เป็นกลางรังเอียงเพราะความรักให้กันเรียกฉันทากติรักมันมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็เลี่ยงมันไว้เรียกว่าฉันทากติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทษาคติรังเกียจมันมันจะเป็นธรรมสักเพียงไหนก็ไม่ให้คะแนนมันอรังเอียงเพราะเขาเรียกโมหาคติ พระขบพระพุทธศาสนาไม่แตก่ก็เลยไม่รู้จักจะนับถือพระพุทธศาสนาเรียกว่าดําเบียงพ่อเข่าเรี่าดําเบียงพ่อกลัวเรียกว่พยาคติตัวอิทธิพลมันมันจะมาทางมืดมันจะผิดสเพียงไหนก็ปล่อยให้มันมันมีอิทธิพลอยู่นั่นแหละถูกไหมนั่นพระพุทธศาสนาไม่มีเลยอ้าวพุดธใดใดมาในทางที่ไม่ชอบ อยู่ในไหมผลของกรรมตามสนองนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ผู้ฟังและผู้พูดผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบก็ไปไปไป ม, ม่รอดเหมือนกันเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันกรมมุนาวัตติโลโกโอท่นโลกเป็นไปตามกรรมเห็นนั้นยังไม่ดูอยู่ในระดับเดียวกันนัทธิใดๆก็ตามจะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหมด จึงจับเข้าสู่พระานได้ถ้าไมาอย่างนั้นกวนเวียนอยู่ในอู่ของวัฏฏะชงสารเนภูมิของพระสวัดาบันไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบายมุขไม่ใช่ได้อยากกระทือสาธรดาอื่น ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากกะเถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยาก จ, จองเวรท่านผูน้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรมึงเถอะไม่มีกูไม่ได้มึงเหลี่ยมนั้นกูจะเอามึงเหลี่ยมนี้ไม่มีในพระโสดาวันเคยได้ผิดกันมาแต่ชาติก่อนก็ให้เล่ากันไปสักเราจะไม่จองเวรท่านผูน้ใดนั้นภูมิพระโสดาบันและมีขอบเขตอีก ไม่คบมิดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาการค้าขายก็มีขอบเขตอีกเหมือนกันไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสักเป็นเลนเนอรสักที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสัทวันไม่ใช่ได้ร่วงระเมิดเลยสิงไหนที่ไม่ใช่ได้ร่วงระเมิด ทิ้งนั้นก็ไม่หนักใจเช่นเราไม่ใช่ได้ลงลุยหลุมฐานเพลิงลงลุยหลุมมดหลุมคู้มันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่ใช่ได้อยากเอาน้ำลายเทว้วนทิ้งแล้วมาใส่ปากอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีอย่าเป็นผู้ ใ, ใจถึงในทางทําชั่วเลย จงเป็นผู้อาตานในทางทาดีจงเป็นผู้อาตถานในทางทาชั่วเลยจงเป็นผู้ด่วนทําดีนึกดีคิดดีจงเป็นผู้ด่วนทาชั่วนึกคิดชั่วนึกชั่วจงเป็นผู้ส่งเสริมความดีของตนจงเป็นผู้ส่งเสริมความชั่วของตนน พูดถึงพระส ว, วัสดิบาลก็บานหน้าไปถึงสัคธาคามีนาคามีอร ห, หันต์จำกว่านั้นลงมาก็เป็นน้ำไหลวนคนหลายใจธรรมสองโลกิยธรรมทำมอันเป็นเวทไซต์ของโลกต่ากว่าพระสสดาบันลงมาโล ก, กุตรธรรม ท, ทอันพน้นเวทไซต์ของโลกนับแต่พระสสดาบาลเป็นต้นไปธาติก็แบ่งเป็นสองโล ก, กิยธาต์ต่ํากว่าพระโสดาบันลงมามโนธาต์ โลกุตระธรรมรับแต่มนโนธาตุของพระสวสดาบาลขึ้นไปจนถึงพระรหารขันกำลันกันโลกิยาขันโลกุตรขันขันห้าพระสวสดาบันขันห้าพุทธชนคนหนาขันห้าพระสวสดาบันจิตใจของพระสวสดาบันพ้นจากกิเลสเป็นเอกเทศจนถึงพระสกทาคาเมลานาคามีอาหาัน ทำไมยังมาอยู่ระดับเดียวกันก็พราะบารมีสร้างมาต่างกันทำแต่ละวัรวัฒต์ส่งต่อพระินปันทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่ข้ามาแล้วหรือไม่โหนเท่านั้นลูกก่อนแล้วก็ตามพวกเราไม่ได้พวกเราผลของกรรมไม่ได้เราจับไฟมันก็รอดจับในเดียวเนี่ยมันก็รอดเดียวนี่พวกเราไม่ได้ไม่ยมือเมาได้ เหตนั่นกรรมและผลของกรรมนั่นเองมันเป็นพยานพระพุษษทธศาสนาอและที่อื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นปัญหานะ่ะเลอผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมมันก็ไม่ตามผู้ไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมหรอกอเช่นงูอย่างนี้มันกินกบกบก็ผูเวนมันเมื่อถ้าหน้ากูจะกินงูกูจะเป็นงู มึงตายเป็นงูกูก็ตายเป็นกบมึงตายเป็นกบกูก็ตายเป็นงูน่ะมันเอากันอยู่เนะี่ยไม่เอากำหนก็มือนกันหรือทุกสิ่งทุกอย่างก็มวนกันหมดทุกเราไม่ได้ทุกเราคนคนกรรมไม่ได้กำบางชนิดให้ผลในภพนี้และภพหนา้าบางชนิดให้ผลในภพกูกสูอบางชนิดให้ผลเป็นลําดับบางชนิดให้ผลตามกิจตามกิจธะที่ทำฆรากรรมกําหนักให้ผลทันตา กรรมพระหุกกรรมกรรมทุกอย่างทุกอย่างมันก็ให้ผลอยู่ในปัจจุบันทางนั้นผลของกรรมคือคือผลของกิจนั่นเองเหตุของกิดผลของกิจเหตุใจอันใดที่รู้ตัวผลของกาอันนั่นก็นำมาโดยรู้ตัวเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุนึกผลก็นึกเหตุคิดผลก็คิดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจอนั้นมันสํามันอยู่ปาในปัจจุบันเลยเหมือนเงาตามตัวมันมันก็ได้ปัจจุบันเหมือนกันเอ้าเรานึกเรานึกโกรธเดี๋ยวนี้มันผลของโกรธมันก็มาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอืมเรานึกเมตตาผลของเมตตาก็มาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมนั่นนั่นเรานึกสงสารผลของสงสารก็มาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเรานึกยื่อยื่อยื่อแฉมใสผลของยื่อยื่อแฉมใสก็มาเดี๋ยวนี้ใช่ไหม นั่นเท่านี้พอแล้วเหตุกรรมผลของเหตุผลของกรรมเหตุพืชเหตุกรรมพืชผลของเหตุผลของพืชก็มีความหมายอันเดียวกันใครเป็นพืชก็จิตใจมันเป็นพืชใครเป็นเหตุก็จิตใจเป็นเหตุใครเป็นกรรมก็จิตใจนันเป็นมโนกรรมเป็นต้นใจเหตุของกรรมทั้งหลายพืชก็มโนพืชเหตุก็มโนเหตุกรรมก็มโนกรรมน่ะ ผลของเหตุผลของพฤติผลกรรมมันมาในปัจจุบันทางนั้นเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลกน็นอนเหตุพิบตาผลกพ็พิบตาเหตุดับตาผลก็มืดนั่นเหตุลืมตาผลก็เห็นเหตุกับผลมาอยู่ห่าง ก, กันพอเก้าใช่ไหมนั่นา <laughs> จะไปเห็นได้แต่เหตุจาํายับก็เพราะปัญสติปัญญาของเราอย่างไม่แข็งแกรง่งสติปัญญาของเราแข็งแกรงนะ่งแล้วเหตุกับผลมันเชื่อมอยู่ กรรมและผลของกรรมมีอยู่ทุกเอเดยาบทของจิตจิตที่นึกไปผลของจิตก็ไปตามนั่นเข้าใจนะใช่ไหมมีผู้คว้างป้าคว้อนใส่้นเสาได้ไหมคว้างไกลมันไม่ถึงควางใกล้นักมวยเอกก็หลบไม่ทันใช่ไหมน่ <c oughs> <c oughs> ฉันใดก็ดีไม่มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้เลยจะเป็นปลาในเชิอกมดประเทศเนี่ย พระพุทธศาสนาก็ยังอยูไยออไย่ไม่มีผู้ทําลายธาตุรอดพ้องไฟได้เลยไม่มีผู้ทาลายธาตุดินได้ธาตุน้ำได้เลยธาตุไฟได้เลยธาตุลมได้เลยไฟก็เป็นไฟลมก็เป็นลมดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นไม่มีใครทําลายได้ชั้นใดก็ดีไม่มีผู้ทาลายมรรคผลนิพพานสังขารก็ยังใครทําลายได้ความเกิดดับก็ดดบเกิดดับอยู่ไม่มีกังวลเกิด ทำอันไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลางกันกลางกลางคืนไม่มีใครทำลายได้เป็นจริงรอยู่อย่างนั้นค น, คนชั่วเขามาจากคนดีใช่ไหมคนดีก็มาจากคนชั่วใช่ไหมความฉลาดก็มาจากโง่ใช่ไหมจะชนะโง่ก็คือเอาฉลาดชน ะ, ะใช่ไหม จะชนะโรคปวดหลง ก, ก็คือเอาความไม่โรคไม่ปวดไม่หลงชนะใช่ไหมทำไมเราจึงอาบนา้ำเพราะมันมีสกปรกอยู่ร่างกายสปกปรกทําไมเราจึงปฏิบัติสินธรรมพระจิตใจมันสปกปรกใช่ไหนถ้าจิตใจไม่สปกปรกเราก็ไม่รักษาสินธรรมเหมือนกันถ้ากรรมด้ผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันอา้าวผู้ที่เขาได้มาในทางที่ไม่ชอบนะ เขาไปได้ไหมเขาก็ับไปไม่ได้เพราะเหตุอะไรก็พวกเหตุผลของกรรมไม่ดีตามสนองใช่ไหมพวกที่ถือว่าไม่มีบามีบุญเข้าไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ไรรใช่ไหมเพื่ อ, ข, ไไ ข, ไไอของกรรมตามสนองใช่ไหมเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ ไปกระ ท, ทุกทุกทางกายเตะศิทุกทุกทางใจในตรโลกธารวมจะกองทุกทั้งนั้นใครจะสำคัญตัวไปไหนก็ไม่ถูกเหมือนกันทุกขังอริยสัจจังจงพิจารณาเห็นตามเป็นจริงเถิดโลกะรมัสสตา ปณิยยั ญ, ญติมเมภิกขวีพิจารณาให้ยิ่งเราพริจารณายิ่งแล้วปณิญาตันติเมเราพริจารณายิ่งแล้วปหาตันติเมเธอทั้งหลายอย่าเ ย, ย็นดีในโลกทั้งปวงชัตติกาตะบันติเมจงทําให้แจ้งซักในคันธ์าสันดานซักเอาวัตถุศาสตรา นอกจากสังขารไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรจะเป็นสังขารสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารราปรมาณทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารที่มีใจครองและสังขารที่ไม่มีใจคลองสังขารแบ่งเป็นสองสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครอง สังขารโลกโกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักาละพาะจราหกชั้นพระมาโลกได้แก่รูปภพสิบหกชั้นและรูปภพสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาทุขา สังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโรคเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันรูปขันนามขันเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันรูปประโรคอรูปประโรครูปประโลกคืออะไรคือดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายยกว่ารูปอรูปประโรคคือเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณ เกิดขึ้นแล้วก็กไปพวนแล้แตกสลายไปเมื่ออยู่ใต้อำนาจของใครเลยมีหน้าที่ทุกข์กระทุกอยู่อย่างนั้นใครจะรู้แล้วแม่รู้ทำไมเป็นปัญหาเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนใครเป็นผู้สวยทุกข์ก็สังขารถังกองทุกข์เท่านั้นเป็นผู้สวยทุกข์พระนิพานมันจะมาเสวยด้วย เห็นอันนี้จังคณะเจี่นหนึ่งพระเห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังเมื่อโลกไปเต็มไปด้วยอันนี้จังก็โลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สมประสงค์ใครสมประสงค์ในโลกไม่มีเลยเหตุนั้นพระรหัต์จึงเบื่อหน่ายความหลงของตนไปสัก สุกมีไหมในโลกสุกไม่มีถ้าสุกมีพระอรหันก็ไม่ข้ามทะเลหลวงของตนไปสุกในเครื่อหัตสุกเกิดแต่ความมีทรัพย์สุกเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสุกเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินสุกเกิดแต่ทำงานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจัง สุกในโลกุตระพระสวัมดวันเป็นสุขเอกเทศพราะพัฒนจา ก, กิเลตไปเป็นเอกเทศเป็นตนตอนพระจักรทาก า, ามีก็ละเอียดไปกว่านั้นบ้างพระอนาคาเมก็ละเอียดไปกว่านั้นบ้างพระอรหันต์ค้นจากทุกข์ทั้งพวงไปแล้ว คำส อ, อนพระพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพรหมสมบัติเป็นนิพพานสมบัติไปในตัวแล้วอาบายามุกทุกประเภทเป็นมนุษย์วิบัติและก็เป็นสวรรค์วิบัติก็เป็นพรหมวิบัติก็เป็นนิพพานวิบัติไปในตัวด้วยชาเว้นแล้ว ก็เป็นมนุษย์สมบัติก็เป็นสวรรค์สมบัติก็เป็นพรมสมบัติก็เป็นนิพพานสมบัติกลมกืนดงดึงดูดกันไปในตัวด้วยบานหน้าไปสู่ความเจริญถ้าไม่อย่างนั้นแล้วกวนเวียนอยู่ในกองทุกข์หมดบุญก็ไปห้าบาปหมดบาปก็ไปห้าบุญ วนเวียนกันอยู่ส่วนสุภัจพันโนบ้านหน้าไปสู่ความเจริญบ้านหน้าไปทั้งจิตใจและธรรมะด้วยเพราะไม่ใช่ได้ลงละเมิดศีลห้าเพราะไม่ใช่ได้ถือศาสนาอื่นนอกจากพพุทธศาสนาเพราะไม่ใช่ไดยลงละเมิดอวัยมุขไม่ใช่ได้อยากจถืออยู่ยงคงกระพัน ไม่ใช้ได้อยากจะถือดถีดียามดีไม่ใช้ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรไม่กล้าจองเวรเคยได้ทำผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปซักเขาว่าทำใหม่ก็ให้แล้วกันไปซักเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่สนับจองเวร แล้มานเสีดายลงละระมือถึงนั้นถึงแั้ไม่เสียดายลงละระมือถึงนั้นก็ไม่หนักใจเพราะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นว่ามันเป็นโทษ ล, ล้วนๆทาไมจึงไม่เสียดายถือศาตดาอื่นเพราะเห็นว่าเป็นมนุษสมัตสวรรค์สมบัติพพสมบั ต, บตินิพพานสมบัติพอแล้วโกงเกืนกันอยู่ในตูว ไข่ทิศเหนือสามารถดึงดูดเข็มทิศให้ชี้ไปในทางตนได้คข่กระ น, นาทะเลแล้วมาหาสมุดสามารถดึงดูดน้าห้วยน้องของบึงบางให้ไหลไปสู่ตนได้ชั้นใดก็ดีเมื่อมีมนุษย์สมบัติแล้วโอ้เมื่อมี อ, อุดมคติคือ โลกระตะจิตโลกระตะธรรมแล้วก็สามารถดึงวัตถุนิยมไปในตัวด้วยเหมือนอากาศสามารถดึงดูดน้ำขึ้นไปเบื้องสูงได้เห็นอันนี้จังคณะทิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพโลกจตไมด้วยอันนี้จัง เห็นทุกคณะจิ่หนึ่งก็เห็นโอกรอบหนึ่งเพราะโลกจะมาด้วยกองทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่สมประสงค์คณะิต่หนึ่งก็เห็นรอบรอบหนึ่งแล้วทำไมเราจึงอาบน้าเพราะร่างกายมันสกผุกเพราะบันเทา ทำไมเราจึงปฏิบัติศิ่ธรรมมีกุศลผลบุญเพราะกิเลสมันสกปกอยู่ที่ใจจริงาทานทาไมมันสําเร็จด้วยการบริจาคทานศีนทำไมมันสาเร็จด้วยการรักษาศีลภาวน า, มาไม่มีบุญสาเร็จด้วยการเจริญภาวนาอภิจายันไมมันสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่เวียวัจจะไม่เป็นสำเร็จด้ว ย, ยาวะะการเพื่อคัดขวัยในจิตที่ชอบ พิจารณาไม่บนสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญทำบุญแล้วอุทิศหาผู้รับรับไปหรือทอวทั้งตจโลกระทาสรรมะสวัสดิ์ไม่บนสำเร็จด้วยการฟังธทำธรรมเทศนาไม่รบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นใ้ตรงเป็นบุญแต่ละอย่างละอย่างเห็นว่าบาปมีบุญมีก็เป็นบุญแล้วเป็นมรรคผลนิพพานมีก็เป็นบุญแล้ว แล้วคนพวกรพคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณไปรวมพลอยู่ที่คุณพุทธธรสงฆ์พุทธธรสงไปรวมพลอยู่ที่คุณพระนิพพานรวมกันอยู่อย่างนั้นเห็นธรรมเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นบุญอยู่แล้วสวรรค์ก็มีหลายชั้นดาวดึงยามาดุสิตเนมานวัติพระเนมิทพราสวัตติิงเหล่านี้เป็นที่ พักแข่งวุญทั้งนั้นส่วนผู้เจริญฌานผู้ภาวานาผมไม่พระสัจชาผมมีโลหิตามหาผมมาพริตตาภ า, าอปมาณาภาอาภัสราพระนิสตสุภาอภมาณาสุภาสุ ภ, สภกินกิตาอสัญญสัตตาเวหาาวัพภะราเวหาอัตตาสุสัสสาสุทัสสีแการณิชกา น, ากานี่ผู้ที่มีบุญไปเสวยทางนั้น เสื่อมภนี่ไปจึงเป็นพระนิพพานแต่วพวกเราก็จะไปที่นั่นแหละตามฐานอันดอนของใครของมันผู้ที่เรื่อมใสัยพุทธศาสนาก็คือผู้มีบุญเป็นเพื่อนฐานแล้วสร้างบารมีมา แก้ข้าบ้างแล้วจริงได้มาเลื่อมใสจึงได้มีทานวัตรศีรวัตรภาวนาวัตรตามสติกําลังของตนตาก็จะตั้งหน้าไปสู่พระนิพพานทุกๆ ท, ท่านแต่ยังเมื่อปฏิบัติยังไม่เต็มก็จำเป็นก็ต้องสร้างอยู่เพราะทำบุญแล้วก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทํำบาปแล้วก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจทําบุญก็คือทําบุญฉลองใจ คือทำบาปจะร้องใจเขาไปบวกอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเลยทีนี้นลวงปู่ก็ป่วยเขามาให้พูดมากคุณชีวิตของหลวงปู่ก็มีเพียงวินาทีเดียวเหลือจากนั้นเป็นอดีตอนาคตหายใจเข้าแล้วออกเขาบอกว่าตายหายใจออกไปเข้าก็เล่าว่าตาย หน้าที่ของลูกปู่ก็มีเตรียมตัวตายเท่านั้นเพราะแปดสิบร่องแล้วต่อไปนี่เขาให้พรนะด้วยองใหญ่พระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข่าไม่มีประมาณแลื่ก็ทรงมา อ, อยู่ทุกการด้วยมันขึ้นอยู่กับพระรู้และแม่รู้มันขึ้นอยู่กับพระเชื่อและแม่เชื่อแล้วก็เนื้อโลกอยู่ทุ ก, ท ก, ท ก, ทกสมัยกกาทุกเวลาด้วย เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าหน้าท้งไตรโรกาล้วป ร, ระสบจากความสุกขความเจริญในบวรบบรพุทธศาสนาพระพระธมาธุพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดวนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อทืออะไรสิเอาหนัง ส, สือมาแจกนะทีนี้ พ่นยาขอดหรือยานี่แหละยาจะละลายเลือดเมื่อใช่ตีบส่งเลือดไม่ทันเมื่อใช่ตีบมา